เรื่องบัณฑิตสามเณรพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบัณฑิตสามเณรดังได้สดับมาในอดีตการสมัยพระกัสสปะสัมมาสาัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุขีณาศพสองหมื่นรูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่กรุงพารณสีชนทั้งหลายได้ถวายอาคารตุ ก, กะทานแล้ว พระศาสดาทรงอนุโมทนาในการเสร็จพัฒกิจเป็นคาถาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ถวายทานแล้วไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้โภพกสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วคนบางคนในโลกนี้ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานแต่ไม่ให้ทานด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติ แต่ไม่ได้โพกสะสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วคนบางคนในโลกนี้บางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนเองทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขายอมไม่ได้โภกสะสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วคนบางคนในโลกนี้บางคนทั้งให้ด้วยตนเองทั้งชักชวนผู้อื่นเขายอมได้ทั้งโภกสะสมบัติ และบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถานั้นแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะทำสมบัติทั้งสองจึงกราบถูนิมนต์ทรงรับภิกษาวันพรุ่งนี้ทั้งหมดภิกษุสอง0 0รูปเขากลับไปเดินบอกบุญเพื่อนบ้านทั้งหลายคนละสิบยี่สิบร้อยห้าร้อรูปดังนี้ สมัยนั้นมีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อมหาทุกขตะอยู่ด้วยเขาคิดไกลครวญอยู่นานว่าจะตัดสินใจรับหนึ่งรูปคนจดบัญชีรายชื่อคนทำบุญไม่ได้สนใจจึงไม่ได้จดบัญชีฝ่ายมหาทุกขตะกลับไปเรือนพูดกับพัญญาว่ารอจะถวายอาหารพระหนึ่งรูปพรุ่งนี้พัญญาอนุโมทนาว่าสาธุดีแล้วชาตินี้เกิดเป็นคนยากจน เพราะชาติก่อนไม่ได้ให้ฐานอะไรอะไรจึงรีบออกไปรับจ้างทำงานเขาและพัญยารับจ้างทำงานเยเรือนเศรษฐียังร่าเริงเบิกบานขมักขเม่นแข็งแรงและอุตสาหะนายจ้างให้ข้าวเนยนมเครื่องเทศรวมได้ข้าวมากเป็นพิเศษถึงห้าธนานเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกไปหาผักจึงไปฝั่งแม่น้าเก็บผักไปร้องเพลงไป ชาวประมงยืนทอดแห่หาปลาอยู่สงสัยว่าอารมณ์ดีร้องเพลงอยู่คงมีเหตุอะไรพิเศษแน่ทราบว่าจะเลี้ยงพัดภิกษุชาวประมงจึงให้ช่วยร้อยพวงปลาเพื่อเอาไปขายและให้ปลาตะเพียนแดงสี่ตัวแก่เขาไปวันนั้นพระสัสดาทรงตรวจดูขายพระยานเห็นอุปนิสัยมหาทุกขตะจึงเสด็จไปเพื่ออนุเคราะห์ เท้าศักก ะ, สะแสดงอาการร้อนที่นั่งบรรดุ ก, กรรมพลศิลาอาดทรงทราบเหตุการณ์จึงจำแรงเพศไปขอร่วมบุญช่วยเหลือจัดการทานงานปรุงอาหารให้แก่มหาทุกกะตะแล้วให้มหาทุกกะตะทำหน้าที่ไปนิมนต์ภิกษุมามหาทุกกะตะไปหาคนจัดทานแต่ไม่ได้ภิกษุด้วยพระหลงลืมจดชื่อเขาในบัญชีได้จากภิกษุไปยังเรือนของอุบาสิกาครบหมดแล้ว ไม่เหลือภิกษุเลยแม้แต่รูปเดียวมหาทุกตะตกใจรีบไปยังพระคันธกุดีแล้วนิมนต์พระบรมศาสดาว่าชื่อว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในนครนี้ไม่มีพระเจ้าข่าขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทําความอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระบรมศาสดาทรงประทานบาตรให้แก่มหาทุกตะแม้พระราชาและพระยุพราชที่เสด็จมาเฝ้าในวันนั้น ต่างก็ส่งแลดูพระพักซึ่งกันและกันต่างเสนอให้ซับแกมหาทุกตะหนึ่งพันไปจนกระทั่งถึงหนึ่ง0เพื่อแลกกับการรับบาดของพระพุทธองค์ไปรับพัดมหาทุกตะหามีความต้องการด้วยซั์ไม่แต่ต้องการจะให้พระศาสดาเท่านั้นศเสวยพระราชาไม่ได้บาดแล้วจึงตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระศาสดาทีเดียว พระสาสดาสเสด็จไปเรือนของมหาทุกขตะฝ่ายท้าสักกะเทวราชจัดอาหารมีพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นพร้อมมูลแล้วปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระสาสดาเรือนอันเป็นที่อยู่ของเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสเด็จเข้าไปสู่เรือนไม่ต้องก้มเสเด็จไป เพราะในเวลาเสด็จเข้าสู่เรือนแผ่นดินย่อมยุบลงภายใต้หรือเรือนสูงขึ้นนี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นถวายไว้ดีแล้วในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้วทุกสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีกพระราชาขอดูพัตถ า, ารที่จะถวายเท้าสักกะเปิดภาชนะให้ดูข้าวยาคูและพัดทั้งหลายออกอวด กลิ่นเครื่องอกอาหารพัดเหล่านั้นได้กลบทั่วพระนครตั้งอยู่ทรงดําริว่าถ้าพระองค์ประทับอยู่มหาทุกขตะคงต้องลําบากจึงกราบบังคมพระาศาสดาแล้วเสด็จกลับพระาศาสดาทรงทําพัตกิจแล้วทรงทํำอนุโมทนาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาทุกตะรับบาศ่งเสด็จพระาศาสดา เท้สักกะเสดกลับประทับยืนที่ประตูเรือนของมหาทุกขตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศเต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้วล้นไปทั่วเรือนไม่มีที่ว่างเขาจึงไปสู่ราชสำนักถวายบังคมแล้วกราบทูลขอพระองค์ทรงถือเอารัพย์นั่นเถิดขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่มนำรั์นั้นมาแล้วทรงแต่งตั้งมหาทุกตะ ในตำแหน่งเศรษฐีเขาปลูกเรือนแผ้วฐานขุดพื้นดินทำให้เรียบอยู่มอซับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเมื่อเขากราบทูลแก่พระราชารับสั่งว่ามอซับเกิดพระบุญของเธอเธอจงถือเอาเถอะเขาปลูกเรือนแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันเขาบาเพ็ญบุญตลอดอายุ ตายแล้วได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรนหนึ่งในพุทธุ บ, บาทการนี้จุติเล่าถือกําเนิดในท้องของธิดาตระกูลอุปถากของพระสาวรีบุตรเทระในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารดาบิดาของนางทราบความว่าธิดาตั้งคันจึงให้เครื่องบำรุงคันนางเกิดแพ้ท้องอยากถวายทานแก่ภิสูุรห้าร้อยรูป มีพระสาวรีบุตรเป็นต้นและถวายรถแห่งปลาตะเพียนแดงนุ่งพาย้อมน้ำฝาดนั่งทายอาสนะบริโภคพัดเดนของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมารดาบิดาทำให้แล้วตามประสงค์ถึงเจ็ดครั้งความแพ้ท้องก็ระงับไปครั้นคลอดแล้วตั้งชื่อว่าหนูบัณฑิตอายุเจ็ดขวบมารดาบิดาได้มอบให้สานักพระเทระนั้นบวชแล้ว สามเณรเข้าไปบินตาบาทกับพระเทระอุปัชาเห็นเหมืองน้ำถามพระเทระว่านี่อะไรเขาทำอะไรสามเณรได้ฟังพระเทระตอบพลางคิดว่าน้ำไม่มีจิตชนทั้งหลายย่อมไขน้ำบังคับน้ำสู่ที่ที่ตนปรารถนาและวทำการงานได้เหตุไฉนคนมีจิตแท้ๆจักไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจเล่า เธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟแล้วเหล็งด้วยหางตาจึงถามว่าพวกเขาทำอะไรกันได้คำตอบว่าพวกเขาลนที่ไฟแล้วดัดลูกสอนให้ตรงลูกสอนไม่มีจิตและยังดัดให้ตรงได้แม้คนมีจิตทำไมจึงไม่อาจดัดให้ตรงได้เล่าเธอเดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องทัพพสัมภาระ มีกรรมกงและดุมเป็นต้นจึงถามว่าพวกนี้ชื่อพวกอะไรได้คำตอบว่าชื่อช่างถากไม้เขาถือเอาไม้แล้วทำล้อแห่งยาน้อยเป็นต้นจึงได้คิดว่าก็ไม้เหล่านั้นไม่มีจิตยังเอามาทำเป็นล้อได้ฉะไหนคนผู้มีจิตจึงไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจและบำเพ็ญสมณธรรมเล่า สมมเนีนคิดดังนั้นแล้วจึงขอลาพระเทระกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมแล้วกล่าวว่าถ้าลุงพ่อจะนําอาหารมาให้กระผมขอจงนําอาหารรสปลาตะเพียนแดงเถอะขอรับถ้าไม่ได้ด้วยบุญของลุงพ่อก็จักได้บุญของกระผมขอรับสมมเนีนกลับไปบำเพ็ญสมณธรรมอาสนะของเท้าสักกะร้อนเพราะคุณของสมมเนีนตรัสเรียกให้เท้ามหาราชทั้งสี่ไปคุ้มครองสมมเนีน อารักขาไว้โดยรอบให้จันทะเทพบุตรชุดรั้งมนทนพระจันทร์ไว้ให้สุริยะเทพบุตรชุดรั้งมนทนพระอาทิตย์ไว้พระองค์เองจะไปประทับยืนอารักขาอยู่ที่สายอยู่แล้วเสด็จไปสำหรับเรื่องนี้พระจันทร์พระอาทิตย์เป็นเทพบุตรแต่นักดาราศาสตร์ไม่เชื่อในตถาคตโพธิสัต t h าแต่เชื่อเรื่องจันทคราดสุริยะราดโคจรบังเงากันละกัน ตรวไปหาอ่านในสุริยสูตรจันทิมาสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม19ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็มิได้มีจิตของสัมมะเนนมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรร ล, ลุสามอย่างคือได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีในเวลานั้นนั่นเองฝ่ายพระเทระได้นำอาหารรสปลาตะเพียนใส่บาตรเต็มเพื่อนำไปให้สั ม, มเนน แม้พระสัสดาในวันนั้นทรงใคร่ครวนว่าบัณฑิตสมณเณรจักทำสมณธรรมท ร, รมงเห็นว่ามีอุปนิสัยอรหัตและจักอาจบรรลุอรหัตก่อนชันพัดเช้า ว, วันนี้จึงได้ไปนั่งอรักษาที่ซุ้มประตูถามปัญหาสีข้อเมื่อแก้ข้อถามได้สมณเณรจักบรรลุอรหัตทรงทราบดังนี้แล้วจึงเสด็จไปทรงถามว่าสาวรีบุตรเธอได้อะไรมา ทูลตอบว่าอาหารพระเจ้าค่าชื่อว่าอาหารย่อมนําอะไรมาเวทนาพระเจ้าค่าเวทนาย่อมนําอะไรมารูปพระเจ้าค่าก็รูปย่อมนําอะไรมาสารีบุตรผัสสะพระเจ้าค่าอาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกําจัดความหิวของเขาแล้วนําสุขเวทนามาให้ เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวันน่าสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขเกิดสุข ส, ขสมณัตด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่นั่งอยู่ก็ตามด้วยคิดว่าบัตดนี้อสาทะเกิดเกิดเราแล้วย่อมได้สุขสัมผัส เมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านั้นอย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุอรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเพราะเนื่องด้วยการฟังคำถามตอบของพระพุทธเจ้าและพระสาวรีบุตรเด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วได้เจ็ดวันในวันที่แปดบรรลุอรหัสเป็นเหมือนดอกปทุมที่แย้มแล้วในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใสพัดทาพั ต, พตกิจแล้วล้างบาทเก็บไว จันทเทพบุตรปล่อยมนทนพระจันทร์สุริยะเทพบุตรปล่อยมนทนพระอาทิตย์เท้ามหาราชทั้งสี่ปล่อยอารักขาทั้งสี่ทิศเท้าสักกะเทวราชเลิอกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ากลางพวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ำกำลังไขน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถากกำลังถากไม้แล้ว ถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ทรมานตนแล้วยอมยึดเอาพระอาหารหันต์ไว้ได้ทีเดียวทรงตรัสรั ก, รกถาว่าอันคนไขน้ำทั้งหลายยอมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายยอมดัดสอนช่างถากทั้งหลายยอมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายยอมฝึกตนในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละอันชาวนาทำนาพึ่งผ่าน้ำเพียรทดทำน้ำไหลใส่นาข้าวครั้นน้ำมากรู้จักไขไหลออกราวทุกเรื่องราวคิดแก้ไขได้ทันทีพวกช่างสอนเหล่าไมาใ้ให้กลมกลึงหล่นไฟจึงดัดได้ใจท่วนทีดัดแล้วดัดลูกสอนอ่อนดัดดีตรงวิธีชี้นำทำให้คิด อัน ล, ล้อดุมกุมเกรียนเวียนเป็นวงมาจากไม้แข็งตรงช่างประดิษฐ์เพียนถากเพียงธทรรมทีละนิดและชีวิตไม่ถากบ้างหรืออย่างไรเน้นบัณฑิตไม่คิดเล่นเช่นนั้นหรอกคิดล้วบอกจิตตนฝึกฝนได้มุ่งสู่ธรรมส่องสว่างแม้ทางไกลยอมฝึกใจได้เสร็จกิจที่คิดเอ่ยแม้จะเป็นคนจนเข็นใจครั้งพระพุทธเจ้าองค์ก่อน แต่ด้วยตั้งตนไว้ชอบมีสัมมาทิฏฐิและเพียรชอบถวายทานด้วยมหากุโลจิตดวงที่หนึ่งเป็นโสมนัสและมีปัญญาประกอบไปเสวยทิพย์สมบัติ บ, บนเทวโลกเส้นพุทธันดอนลงมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุ ธ, ธรรมด้วยอายุเพียงเจ็ดขวบทําให้คิดไปว่าคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ทำบุญให้ทานอย่างไรด้วยกุโสจิตดวงไหนกันหนอลองทบทวนกันหน่อยว่า นทุกตะเขีนใจทำบุญอย่างไรแล้วเอาตัวอย่างไว้หน่อยก็ดีสามเนนบัณฑิตพระเะ เ, เจ้าครั้งสมัยพุทธกาลเป็นผู้มีปัญญาเลิศบรรลุอรหัตตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนับเนื่องในกลุ่มสามเณรผู้เป็นพระอริยเจ้าเช่นสามเณรสุมณนะสามเณรทัพพามละบุตรสามเณรสังคิ จ, จ่สามเณรโซปากะสามเณรเรวตะเป็นต้น มีส่วนช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาหให้กว้างขวางออกไป